สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพซูตอนที่สามร้อยเก้าสิบแปดเกี่ยวข้องกับวันสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นครั้งที่สี่พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้จบลงตรงที่ว่าทําไมคนถึงต้องสแสวงหาการสรรเสริญจากมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญจากพระเจ้าเพราะเหตุที่ว่าเขากลัวและไม่กล้ารับคําวิจารคําตําหนิ นึครับผมขอทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเพราะชนะของพระเจ้าได้ทําให้เรารู้ว่าบางคนนั้นกลัวนะครับการสรรเสริญจากพระเจ้าในแง่หนึ่งก็คือว่าเขารักการสรรเสริญจากมนุษย์มากกว่าที่จะรักการสรรเสริญของพระเจ้าน้องครับสาเหตุเขาคือว่าหนึ่งเขาลืมไปครับว่าเราไม่สามารถที่ทําให้ทุกคนพอใจได้ครับเราควรจําว่า ทางที่ดี้สุดในการที่จะทําให้พระเจ้านั้นพอบวัฒน์ยนั้นควรมาเป็นอันดับแรกครับการที่ทําให้โลกพอใจหรือไม่ก็เป็นอันดับที่สองการที่เราทําบางสิ่งบางอย่างแล้วโลกพอใจเมื่อเรารับความพอใจจากพระเจ้าแล้วนั่นแสดงว่าโลกหรือคนที่อยู่ในโลกตรงนั้นเป็นคนที่ พระเจ้าพอพระไทยเช่นเดียวกันพี่น้องครับเราต้องจำอีกอย่างครับว่าแม้ว่าเราจะทำให้คนอื่นทุกคนพอใจไม่ได้ก็ตามแต่เราสามารถที่จะทำตัวเองให้โปร่งใสครับเราทำให้ตัวเองสับซื่อเราไม่เกิดก้าวกับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเราต้องมีธรรมพิบาลเราต้องมีความตั้งใจความเจตจำนงที่ดีแรงจูงใจที่ดี นั่นแหละครับจะทําให้เราไม่กลัวคำวิพากษ์วิจารณ์เราไม่ต้องมีความจําเป็นในการสแสวงหาการสรรเสริญจากมนุษย์ประการต่อไปครับหากเราเกรงกลัวหรือเซนซิทีฟต่อคำวิพากษ์วิจารณ์เราควรจะทําทไงดีคําตอบก็คือว่าการเกรงกลัวและเซนซิทีฟต่อคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องถ่อมใจลงสํารวจชีวิตของตัวเอง แต่จะดีกว่าอย่างแน่นอนครับถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าและเซนซิทีฟต่อพระเจ้าต่อคำวิพากษาตัดสินของพระเจ้าในที่สุดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระเยซูนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเราจะต้องสแสวงหาเราจะต้องกระตือรือร้นนะครับในแง่หนึ่งเรียกว่าความทะเยอทยานพี่น้องครับความทะเยอทะยานนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญความทะเยอทยานที่เราจะต้อง รับการสรรเสริญจากมนุษย์นะครับในพระอมค์พีก็พยายามที่ให้เราสรรเสริญกันและกันครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าใช้คําว่าให้เกียรติให้เกียรติกันและกันภาษาอังกฤษใช้ว่า honor one f r m another ก็คือถูกต้องตามพระบัญญัติครับก็คือเราจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องชื่นชมกันและกันเราต้องพูดสิ่งที่ดีต่อกันและกันในขณะเดียวกันครับสิ่งที่เราชื่นชมนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีครับ ต้องอยู่ในศีลในธรรมต้องเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับต้องเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างต้องเป็นคนที่ฝกกรรักใฝ่ในการรักพระเจ้าในการรับใจพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราชื่นชมสรรเสริญไม่ถูกไม่สอดคล้องกับพระงรมทิศชื่นชมไปก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนั่นครับคือการหลอกลวงเฟซครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงเราต้องเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับ เราต้องเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าทั้งแรงจูงใจทั้งความคิดและการกระทาทั้งการตัดสินใจการพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาแม้ว่าเราอาจจะต้องถูกว่าถูกตำหนิถูกดา่าถูกยเยาะเย้ยถูกเข้าใจผิดถูกขัดขวางจากโลกก็ตามเราต้องเลือกที่จะยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าถูกต้องตามพระกมีสอดคล้องกับคาสอนของพระเจ้าเรา้องมีความเสยียานแบบนี้นะครับ เพื่อที่จะรับการสรนเสริญจากมนุษย์ประการที hm. ่สองก็คือว่าเราต้องมีความทะเยอทยานในแง่ของการรับการสันเสริญจากพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสูงที่สุดครับและควรจะต้องมีมากกว่าการรับคําสรรเสริญอย่างถูกต้องจากมนุษย์ด้วยในเรื่องราวที่ถูกต้องจากมนุษย์เราต้องมีความหวังใจเราต้องรอคอยการชมเชยจากพระเจ้าครับเพราะคําชมจากพระเจ้าว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีและสัตย์ซื่อเป็นความชมที่สูงสุดครับ ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นสาวกของรพระองค์คำชมเชยที่สูงที่สุดจากพระเจ้าก็คือเจ้าเป็นทาสที่ดีและศักดิ์สิทธิเมื่อเราได้รับคําชมอย่างนี้นะครับจิตใจเราเนี่ยจะต้องสงบแน่นอนครับเราจะมีความสุขสงบในการรอคอยคําชมนี้ด้วยความเพียรพยายามการรอคอยนี้ถือว่าเป็นความเพียรอย่างหนึ่งนะครับเป็นความอดทนอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน เราจะมีความสุขในการที่ได้ทําตามนามบัตไทยของพระเจ้าเราจะมีสันติสุขสันติภาพความสงบความร่มเย็นความเย็นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะเหตุที่ว่าความเย็นตัวนี้จะทําให้ชีวิตของเรานั้นได้รับพ่อนนั่นแหละครับคือสวรรค์ที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้สวรรค์นี้อยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกอยู่ในอารมณ์ของเราอยู่ในความคิดของเราและมันจะไหลออกไปสู่ร่างกายของเราเช่นเดียวกัน คนที่มีความทะยาทะยานในแง่ของการรับการสัเ่เสงี่จากพระเจ้านั้นเขาจะมีเรียกว่าเป็นคนที่มีดีพเอนเดนนะครับเป็นคนที่ดีพเอนเดนดีพเอนอ่พระเจ้าครับหมายความว่าเขาพึ่งพาพระเจ้าเขาไว้วางใจในพระองค์พึ่งพาพระองค์ตลอดเวลาในขณะที่เขารับการปกดปล่อยจากอํานาจมืดวิญญาณชั่วครับเขาอินดีพเอนเดนจากซาตานในขณะที่เขาอินดีพเอนเดนจากซาตานเขาไม่มี ความเกี่ยวข้องใดๆไม่รับการผูกมัดใดๆจากสาตานเขาอิสระเป็นไทยในพิเยสุคิดแล้วคนคนนั้นก็จะอินเตอร์ด n d เ n นเก็คือพึ่งพามนุษย์แต่ไม่พึ่งพามนุษย์ในเชิงที่ว่าพึ่งพาทุกอย่างครับก็คือพึ่งพาอาศัยกันและกันพี่น้องครับคนที่มีความทะยอทยานในแง่ของการรับการสรรเสริญ จ, จากพระเจ้านั้นเขาจะต้องไว้วางใจพระเจ้าสุดๆครับ เขาจะต้องพึ่งพาพระเจ้าในขณะเดีวยวกันเขาจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงในหลักคําสอนหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องครับแต่ไม่หวั่นไหวเมื่อเขาปกป้องหลักข้อเชื่อของเขาไม่หวั่นไหวเมื่อเขาถูกตําหนิมีพักวิจารเขาจะยึดมั่นในความเป็นจริงหรือแตนเฟิ i r m นะครับแตนเฟิ i r m ก็คือยืนอยู่ยึดมัน่นนะครับ stand firm in the word of God ก็คือ เขายึดมั่นอยู่ในหลักความจริงแห่งโภชนะของพระเจ้าหลักแห่งความถูกต้องและคนแบบนี้นะครับเขาจะรักในสิ่งที่พระเจ้ารักเขาจะทําในสิ่งที่พระเจ้าสั่งเขาจะเดินในทางของพระเจ้าเสมอแต่เมื่อเขาจะจากโลกนี้ไปเขาไม่เคยคิดเสีย ใ, เยใจเพราะชีวิตของเขานั้นอยู่อย่างไม่ประมาทอยู่อย่างคุ้มค่าและไม่เสียของครับคิดองครับ เมื่อเขาจากโรคนี้ไปคิดจักจะเสียใจคนดีจะเสียใจคนที่มีความต้องการจะเสียใจแต่ชีวิตของเขานั้นจะมีความสุขใจและไม่เคยเสียใจเสียใจเลยแม้แต่น้อยชีวิตของเขานนัจะมีคนเรียนแบบครับจะมีคนมีคนเอาเป็นตัวอย่างสุดท้ายก็คือเขาได้รับชีวิตนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์นั้นที่เขาจะได้รับนั้นมีสง่าราศีครับ รับเกียรติจากพระเจ้ารับคําสัรเสริญจากพระเจ้าซึ่งเป็นคําสัรเสริญที่จริงจังจริงใจยั่งยืนตลอดไปเป็นนิดพียงครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ก็คือผมจะใช้ข้อคิดที่ว่าอะไรครับในชีวิตของเราซึ่งเราทําแล้วเราคิดว่าเราเชื่อว่าเราจะได้รับการสรรเสริญจากพระเจ้าและคําถามต่อไปหรือข้อคิดต่อไปก็คือว่าอะไรในโลกนี้ ที่เรายัางรับคำสรรเสริญจากมนุษย์ที่จริงบ้างเก้บ้างปลอมบ้างเพื่อผลประโยชน์ของใครบางคนหรือของบางอย่างมีมไหมครับถ้ามีขอพระเจ้าหยิบยกออกไปเพื่อที่เราจะรักการสรรเสริญจากพระเจ้ามากกว่าการสรรเสริญจากมนุษย์อาเมีน